ต้องชัดแก่ตนตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นว่าจะถือเป็นมาตรฐานตัดสินได้จริงต้องใช้พระไตรปิฎกบาลีผู้ที่ทํางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสั่งสอนพระธรรมวินยัยควรรู้จักแหล่งอันเป็นที่มาของพระธรรมวินยัยตลอดจนของพระพุทธศาสนาทั้งหมดคือพระไตรปิฎกยิ่งทํางานในขั้นที่ถึงพุทธพจน์โดยตรง จะเอาพุทธวจนะต้องรู้จักพระไตรปิฎกจริงๆไม่ใช่รู้แค่ว่านี่พระไตรปิฎกแต่รู้จักอย่างชัดเจนว่าพระไตรปิฎกฉบับไหนคือแค่ไหนเป็นอย่างไรอย่างน้อยเรารู้เห็นกันอยู่ว่าในประเทศไทยมีพระไตรปิฎกที่พิมพ์ที่ใช้กันอยู่สองอย่างคือพระไตรปิฎกภาษาบาลีมักเรียกสั้นๆให้ง่ายว่า พระไตรปิฎกบาลีและพระไตรปิฎกภาษาไทยแน่นอนว่าพระไตรปิฎกที่แท้ต้องคืออันใดอันหนึ่งอย่างเดียวแรกสุดก่อนจะเดินหน้าไปไหนจึงตอบคำถามนี้ก่อนว่าพระไตรปิฎกภาษาบาลีแปลาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยหรือว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยแปลาจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ถ้าทุกคนตอบได้ทันทีว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยแปลจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกภาษาบาลีจึงเป็นของเดิมเป็นตัวแท้เป็นพระไตรปิฎกตัวจริงแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ภาษาบาลีพอที่จะอ่านจะใช้ประโยชน์ได้จึงมีการพยายามทำให้มีคำแปลพระไตรปิฎกในภาษาไทยอย่างไรก็ดี พระไตรปิฎกนี้ใหญ่โตนักเป็นหน้าหนังสือนับได้สอง0 0ืหน้าประเทรานุเทระและนักปราชราชบัณฑิตแปลกันมาแปลกันมาทั้งที่พระไตรปิฎกบาลีมีในเมืองไทยคู่ประเทศมาแสนนานแต่เพิ่งแปลเป็นภาษาไทยนับว่าจบพิมพ์เป็นเล่มหนังสือได้ครบชุดเมื่อผ่านพุทธศักราชสองพันห้ารอยนี่เองและนี่คือเสร็จงานในขั้นแปลจบให้เราได้มีพระไตรปิฎก ฉบับแปลภาษาไทยทั้งนี้โดยต้องยอมรับความจริงว่างานตรวจชำระสอบทานแก้ไขคำแปลเป็นกระบวนการที่ยังจะต้องดำเนินต่อไปอีกนานมากกว่าเราจะมีพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยที่ใกล้เป็นฉบับสมบูรณ์แม้ว่าหลังพุทธศักราช 2,500 มานี้มีคณะของท่านผู้แปลมากหลายได้แปลและพิมพ์พระไตรปิฎกแปลภาษาไทยฉบับอื่นๆขึ้นมาอีก2ถึงชุด โดยพยายามทำให้ดีขึ้นแต่ทุกชุดก็ต้องยอมรับอยู่นั่นเองว่างานตรวจชำระสอบทานแก้ไขยังจะต้องดําเนินกันต่อไปอีกนานชาวพุทธและผู้คนที่สนใจในประเทศอื่นๆก็เช่นกันน้อยนักจะรู้ภาษาบาลีพอที่จะอ่านจะใช้พระไตรปิฎกจึงมีผู้รู้ได้แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอื่นๆนั้นๆแล้วก็มีพระไตรปิฎกแปลภาษาต่างๆ แต่ที่รู้จักกันมากในวงการนานาชาติก็คือฉบับภาษาอังกฤษพระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาต่างๆอย่างเช่นฉบับภาษาอังกฤษนั้นก็แปลกันได้แม่นดีมากบ้างแม่นดีน้อยบ้างไม่มีที่สมบูรณ์อย่างไรก็ดีพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยชุดนั้นชุดนี้ก็ตามพระไตรปิฎกแปลนานาภาษาก็ตามเราจะรอใช้ต่อเมื่อถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ยอมไม่ไหวเป็นไปไม่ได้เอาเถิดชุดแปลฉบับต่างๆที่จัดแปลจัดพิมพ์กันขึ้นมานั้นก็ล้วนเป็นที่เราควรจะนับถือพระไตรปิฎกแปลทั้งหลายเหล่านั้นถึงจะยังไม่สมบูรณ์ก็เป็นคู่มือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พระเนนญาตโยมพอจะเข้าถึงพระไตรปิฎกได้ไม่น้อยช่วยในการศึกษาพระไตรปิฎกเกื้อกูลแก่การศึกษาพระธรรมวินัย เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะอย่างไรถึงแม้บรรดาพระไตรปิฎกแปลจะเป็นได้แค่คู่มือศึกษาพระไตรปิฎกเป็นสื่อที่จะเข้าถึงพระไตรปิฎกและเป็นเครื่องมือใช้พระไตรปิฎกแต่เหนือขึ้นไปที่ศูนย์รวมกลางเราก็มีพระไตรปิฎกบาลีเป็นหลักประกันเป็นมาตรฐานเป็นที่อ้างอิงสิ้นสุดที่จะตัดสินจะชี้ต้นชี้ปลาย เนื่องจากพระไตรปิฎกบาลีเป็นมาตรฐานตัดสินในการแสดงหลักฐานถึงแม้จะนำความที่เป็นคําแปลจากพระไตรปิฎกภาษาไทยมาแสดงแต่เมื่อจะอ้างอิงที่มาถ้าจะให้ตรงแท้ควรอ้างพระไตรปิฎกบาลีอย่างน้อยเพื่อ 1. ผู้ศึกษาจะได้สามารถย้อนไปถึงแหล่งข้อมูลที่แท้ทั้งเป็นที่สอบเทียบและเป็นจุดโยงที่จะหาข้อมูลความรู้ต่อขยายออกไป 2. ผู้ศึกษาค้นคว้าเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะผู้รู้บาลีเมื่อต้องการความชัดเจนแจ่มแจ้งมากกว่าคำแปลที่อาจจะยังไม่เป็นที่พอใจจะได้ไปดูของต้นเดิมที่จะพิจารณาให้ได้ความกระจ่างตลอดจนตรวจสอบคำแปลนั้นที่อาจผิดพลาดหรือไม่เพียงพออย่างน้อยจะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาในการแก้ไขปรับปรุงพระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาไทยนั้นในระยะยาวต่อไป ตามปกติพระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาไทยแม้จะมีเลขหน้าไม่ตรงกับเลขหน้าของพระไตรปิฎกบาลีต้นเดิมแต่รักษาเลขข้อคงเดิมไว้ดังนั้นถ้าอ้างโดยแสดงเลขข้อด้วยก็จะค้นฉบับบาลีได้ด้วย